Book 2 40ี่สิการสอบถามทางรขอโทษครับฟ ช่วยผมทีได้ไหมครับ아몬테먼นี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ เ t ็ดส์นีไมตัสนิชอเช่เอ็ดส์นีไมต่อต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับเ t ็ดส์นีป t สไทท์พักเทรดเอ็ดส์นีปาสไทท์ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งรอยเมตรครับเ t ็ดส์น a ปาสไทท์นิ t ิน t ์เมตร e อ s n สเนปพัสไต่นิวชินด์เ a โทรที a อัฟตัสคุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้มุนต์เทเมอร์นี่เดออัตโตบูซินมุนต์เทเมอร์นี่เดออัตโตบูซินคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้มุนต์เท n มอร d นี คุณขับรถตามผมไปก็ได้มุนตออุตโตนิเดนราปาเมียมุนตออุตโตนิเดราปาเมยผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับซีมุนตอย น, นสเตเดียมซมุนตอย น, นสเตเดียม ข้ามสะพานไปครับ Kaloni Uran a l o n i Uran อดอุโมงไปครับ Kaloni t u n e l i n a l o n i t u n e l i n ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ Udotoni dari te semafori i t r e t u d t o n i d r i te semafori ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับคซตนรูอตต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปอุตซท อุตตน่พาสตา่ดรดเดลี่และคลิ่ซิมี่ทีทขอโทษครับผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับมาแฟนนี่ซมุนต์จะสกอยนาไอร์อพอรตมาแฟนนี่ซมุนต์จะสกยนาไอร์อพอรตวิธีที่ดีที่สุดคือ ไปโดยรถไฟใต้ดินมร์เมอนเมรอนมร์เมนเมรอนออกที่สถานีสุดท้ายอตตดี s ร์ที่สุนรุรุาไปที่